เะหมือนาวอาจะเกิดอะไรสูฟังเกิดตรยบ่อยูกิดจกงไก่ังังเกองเก่าวิเวกเกิดเจ้าเก่าการปฏิบัติของเก่าอะไรที่จะใหม่ขึ้นสคัญการปฏิบัติต่างๆที่การปฏิบัติจิตใจต้องัวเอง ไปปิัที่อื่รงขศาสนาอยู่ตี่กายรายใจศสนาอื่นจนยังเกี่งวกศาสนาใจแจงงศาสนาจศาสนาวัตถุอยู่ดูยหาอยู่ที่อาศัยอะไรทุอย่างนั่นเปเรื่องเกี่วกศาสนาจแจงงศาสนาจริจังอู่ที่ายรายใจใจอยู่ต่เพืนไปจ่นักฝน ทุกคนมุ่งมั่นจะตฏิบัติตัวของตัวเพื่อรับการสึกการสบายแต่การสึกการสบายคือพวกเราทั้งหลายต้องการมันอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ไข้จิตจิตตางอย่างนอกแต่จะรับการสุกจะอยู่กับวัตถุจะอยู่กับกามอารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกจะคุดเรื่อยไปเคลื่อนเรื่อยไปหาเรื่อยไป แต่นี้ในจิตไปสุดพราะเป็นความสุจิตเป็นดังแต่ก็ยังดันดนดุดทนแสวงหาตลอดมาคือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่มันจยกวยกเมาายในคือปฏิบัติายใจทั้งตนตามสุขของศาสนาจิตไปศาุนาจนสันนิษฐานคือความสุข เกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจจิตใจสี่เคยสายแ่แต่เพื่อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพยายามบังคับบัญชาสะกดละงับโดยการภาวนาทำจิตของตนให้ติดตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับบัญชาให้อยู่ในธรรมบริกรรมหรือเพื่อนจินิตที่จะได้วัตถุอันหนึ่งอันใด ซึ่งเันอยู่ในเนื้อในตัวของเราเองเข่มผมขนแล้วกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นที่จะ ใ, นนให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตจได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบหรืห่เป็นเรื่องทุกคนที่จะต่องสึกขนอารมนอกจากนั้นเมื่อจิตมีพื้นฐานตามสงบ ทางด้านจิตใจดีเด่นแล้วก็ อ, อาศัยปัญญาที่จเจนาตามความเป็นจริงของจรงิงนั้นให้รู้ให้เห็นตามตป็นจริงของมันว่าจริ ง, น, งนั้นนั้นมันมีการเกิดขึ้นแล้วป้วนและแตกสลายอย่างไรจิตใจที่ไปหลงจิดข้อ ง, ง, ง, องยึดถือไม่อยากจะให้มัน แ, แตกป้วนไม่อยากจะให้มันแตกสลายมัน เป็นทุกข์หรเป็นสุขเราบังคับได้อย่างใจหมายหรือไม่หนึ่เป็นเรื่องของปัญญาที่กะพิจารนาแก้ไข ใ, ใจของตัวทู่ติดข้องเมื่อทุกคนสนใจระพิบัริภาททยในคือใจวายใจใจขงตนคนนั้นจะได้รับความสุขจากพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ อธิบายถึงเพราะจะทราบจากการเห็นการเจนทั้งสองถ้าทุกคนสนใจใจจิตติดตามเรื่องธรรมะพี่เรินาภายในใจผิดใจแต่สายพึ่งปลงไปเรื่องภายนอกพยายามผมขูพยายามตัดทิ้งใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความลเลื่อมลือนั้นอาจเป็นธรรมให้สายใจไม่เห็นไม่เป็น ถึงจะศึกษาเรียนเลือฟังขนาดไหนใจใจท่องตัวนในเห็นในเต็มก็ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเก่งขนาดไหนมีวาทะคมคายขนาดไหนแต่ใจต้องเตัวนในเต็มแต่ให้ไม่ไมก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก็โลดโผหลงภายในบังคับบัญชาผูเขียนอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้น ยังทําความเดือดร้อนสุ people, ่มๆอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้หนึ่โดยจิตขาดัดทําภายในแต่นั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจงยกต่อมาภายในสุ่มทางวัดทางศาสนาถือว่าโอปนยิโตน้อมต่อมาภายในดูายใจทั้งตรงเห็นเสียงใดได้ยินสียงใดจิตจึงอะไรเป็นเรื่องขี้ความขี้ จะนึกคิดน้อมข้ามาทภายในแตการเห็นนั้นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์แต่ตัวคล้องตัวเห็นเป็นโทษตะกวนละเห็นเป็นประโยชน์ตะกวนเห็นควนบําเพ็ญในจิตใจได้รับความเยือกเย็นสงบเห็นเป็นโทษตัวเห็นเป็นกิเลสตัณหามื่งหน้าส่งออกไปภายนอกคิดในรูปคือเห็น สตัวชอบอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นการคิดความเห็นเกิดกําหนัดยินดีเกิดเชิญมัวเมาลุ่มเหลงเป่าฝันไปตามรูปสิ่งตัวเห็นสั่งตัวเห็นที่เป็นคิบเป็นใครเสียใจท่องัวถึงเกิดเชิญมัวเมาเพราะการลุ่มเหลงไม่ใช่เกิดเชิญยินดีในทางลาดขอนในใ่ สิ่งเหล่านั้นเพิเพลินไปสิ่งเหล่านั้นจะเงเช่นเงวาอยู่ได้ ต, ตลอดไปจะมีการหลงไหลหรือเสียใจให้แก่ตัวเองภายหลังนี่คือความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเร่องของกิเลสแต่ความเห็นของธรรมตาขันเห็นขันต์ตอนนี้ที่จะรียนะหาทางที่จะแน้สอนตัวเองเออด้วยอัตธรรม ต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นความเบี่ยงตามันมีทุกคนหูมันมีทุกคนจิตควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่เทราว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้พิจารมาในทางอัตชัมยึ่งเกิดการหลุ่มหลงเสียดเพชยสิงใดที่เราเสีดเชยหลุ่มห ล, มลงยึดถือสิ่งนั้นแหละจะให้ทุกแก่ใจทังตนยิ่งยึดถือมากเท่าไรยิ่งรักให้ จะง่วนเถอะไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแก่จิตแก่ใจมากขึ้นสิ่งใดที่เราปล่อยวางไปได้ไม่จีบล้องสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางพิจารณาละถอนหาทางพิจารณาแนีสอนจิตใจฟองตัวนี่คือผู้ปฏิบัติอักธรรมตาเห็น่อมาพิจารณาให้เป็นธรรมเช่น เห็นรูปสียังหนุแน่นสวยงามเรีว่ารูปหยิ่งรูปชายจิตใจจะต้องจิดข้องยินดีเผยเธิญหนุหปนปกติจิตที่ยังไม่มีอมัตยีธรรมทุกความจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาต้องเรดปริญญาสั้นไหนมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจใน ม, มีอัตธรรมภายใน ก็ลืลมหลงใจตามรูปต่างๆเมื่อลืมหลงก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจก็่สิเหล่านั้นมันเป็นภัยอันตรายคือมั น, นเหม่อคงเส้นคงวาให้มันจะแปลไปเปลี่ยนไปตามธรมชาติขัดผันถ้ามีสติ ป, ปัญญาภายในคือมีอัตถันของใจพอเห็นเข้ารูปนั้น จะยังหนุนสาวสดใสงดงานขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงแบบรูปนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจริงๆมันเกิดมาเป็นของเสียงามหรือไม่หรือเป็นของสกบลุกอย่างไรและภายในรูปมีอะไรอยู่ในนั้นตรงที่ยินดีพอใจหอมหวนชวนดมหรือไม่หรือเป็นของสตกกระจกตีกลนอย่างไรก็ต้อง ที่ไม่พิจาราแยกะเข้าไปจนถึงความจีงของมันนอกจากนั้นเมื่อที่จารยนาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิจาราอืออันนั้นตือย่าตาเพื่อทองรูดนั่นนั้นตอนคือเขาเนหนุ่มเป็นสาวเขาก็มีความสวยส็งดงามม้วนัน ต่อนานตีเขา้าอูปมันเปลี่ยน แ, แปลงแปรเปลีนไปตามธรรมชาติขัดขันรูป น, นั้นจะ ต, ต้องมีความเต่าหมองรูปเหล่านั้นจะมีความในหน้ายืนดูในหน้าเฉื่เพลยเหนเขา้าก่อนหน้าอิดหนาละอาใจหนึ่งไม้ถึงความแปรเปลี่ยนของโลกของรูปที่เราเห็นมาเนี้ยสอนจิตใจของเรามาให็นเฉื่อยหลุ่มหลงไป เสียงก็เหมือนกันทุกเสียงทุกอย่างเนี่ยมีอัตมีธรรมแล้วจิตใจมันสม่ำเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเห็นปกโศและสวยงามเสมอกันเพรารูปก็สักจะรูปเสียงก็สักจะบาสเสียงจิตใจจะไปติดข้องยึดถือยินดีเสียใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปหาดไปนี่จิตใจมีอัตมีธรรม ทำลุ่มหลงเพิดเพินเห่เหินในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจของท่านจึงมีอาจมีรำจรงิงรจังเขาสมมติอย่างไรไปสืบไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่เพราะว่าใจทั้งท่านจะไปลุ่มหลงติดข้องเส่าหมองเพิดเพินเป็นอันไหม่มีเนื่อมันไม่มีอะไรมาลบลวนในกความรักความรังเกียจต่างๆ หยุใจแต่ตั้งมั่นหยุดใจก็เยือกเย็นหยุดใจก็เห็นจริงความสุขความสมายทีมีอะไรมาตอกวตนเกี่ยวข้องมันก็่สุขแต่สมายเหมือนดวงไฟแสงเพียนของเราถ้าหากลมมาเตาแสงเพียงนั้นบางทีก็ลุกมีแสงจ้าบางทีก็ลีแสงไปเพราะลมมะพัดมาเตา จิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มนาเถลาลอยคนนั้นจะมมจมนนนไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายยิงจังแต่นั้นทางพุทธศาสนาการอดรมภาวนาการศึกษาธรรมะท่นจึงให้เป็นโอปยญญโกเห็นน้องเข้ามาภายใน เนี่ยสอนใจของตัวไม่เหตุหลุ่มหลงไม่เหตเปิดเนยการอยากของใจหากเราไม่มีเบดเราไม่มีธรรมเป็นเ ส, ส, สื่อมวัดเส่งมกั้นเส่งห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบรอิบูรณ์จิตกลางของโลกต่อทำนองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสำเร็จรื้อเรื่องไปได้จ น, นตายเสื่อไปเผาไปสังหากมี่สิพิเศษ ไปฝึกไปทำเขาเป็นคนคุณนะอีกสอบถามดูว่าจิตเทวน า, าทีของโลกเสร็จแล้วหรือถึงไปตายอย่างนี้เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังอันนั้นยังอันนี้คัามอยากของใจในมีวันจบวันสิน้นในเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอดทามภายใน ไ, นไม่เป็นอย่างนั้นนับวันสั้นวันแคบออกมาจะว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็ถูก เห็นแก่ต like, ัวแต่ไม่เป็น so ท so ี่เป็นใครแก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนไมาเห็นแก่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีพิเศษกว่าเราจะยากที่จะไปพึ่งไปฏิบัติให่เป็นเหตเห็นเหรือถ้าอพึ่งพระเจ้าหรือคืออาจารย์สาวกท่านต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญต่อเรื่องของคนอื่นต่อไป จะประพฤตกายประพฤใจต้องตัวให้ดีให้หมดลาชีกิเลสเมือ một, ม่อหมดได้เมื่อไรเราจริงจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นแนะคนอื่นหากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวของตัวเองยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำหลับตราของศาสนามาสอนมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัว เ, เองเกิเสียวันเวลา คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องปลอดภัยเสียไปเพราะตัวทของตัวไม่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนําคําสอนที่ถูกต้องแน่นอนไปสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติในหัาใจในรู้เห็นในดีเด่นเต้มหมดสงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควรจะละ จะบำเพ็ญต่อไปความเป็นอยู่ปัจจุบันจิตใจของเราผัดผ่องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญอีกทาบในวาระจิตของตัวเองเห็นในความต้นของตัวเองเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไปก่อกวนความสนุกสึกอันนั้นความสนุกสึกอันนั้น ตำราสรัางสาสณนะแั่นจึงเต่าโอวัตถิสันติะลังสุขขังสุ ข, สขอืน่นยื่งกว่าความสงบไม่มีความสงบธรรมดาจากการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงเรือมจุดนั้นก็ต้องอแส่ายไปตามสัญญาอามณ์อีกจึงมีการทำบันบ่อยถึกบันบ่อย นี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่กําให้ศรัทธาเชื่อมัน่นว่ความสงบสุขมันดูี่เเิอดอย่างนี้มันมีรสชาตอย่างนี้โดยไม่มีคนไปบังคับบัญชาใหภาวนาภาดเปีย่ยนแต่ความเชื่อความเห็นความเจนในใจโดยระสบพบมาจากความสง บ, จ า, าสงบจากการภาวนาจึงอยากทำเองอยากเห็นอยากรู้ มีความสงบเอย่างต้นแต่ความสงบที่ท่านกล่าวว่านัตถีทันตีพลังสุขขังความสงบนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีไปไม่มีมาและความสงบเต็นอย่างไรมันจะเป็นปัญหาสําหรับใจคนถี่ไม่รู้หม่เห็นไม่ไปไม่มาไม่อยู่มันเป็นอะไรคนที่เห็นผิว กงมีทางสงสัยเพราะความเป็นความเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ในดวงสมมุติไม่ตเกี่ยวกับสมมุติไม่เกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกระยะถึงกายวาจาจะทําอะไรส่วนทํามสงบความเป็นไปเสื่อมนั้นบริสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกการจะเข้าที่หรือไม่เข้าที่จะตายหาตายหงอย่าง สามันญชนธรร ม, มดาต่ไม่มีวันเวลาที่จะเป็นอัปปะมงคงลสําหรับท่งคนนั้นอย่างแพ่ร้นานขัยยนยัญญาถือเรือเต็มตายในการแสวงหาข่ามาบวชเขาคิไดไปจ้ากับแสงและเฉินปรายนิพพานคือธาตุสุดบริสุทธ์แล้วตัอวอ ย, ยู่อีเลียบวดใดตามบริสุธิ์นั้นไม่มีวัน ที่จะเศร้ามองส่องใสไม่มีวันที่จะไปจะมาจะเสียจะหายตามธรรมสมมุติทั้งโลกนี่คือความบริสุทธิ์ภายในไม่มีการออกการเข่าการไปการ ม, มาการอยู่ไม่มีต้องกลิ่นละทัดประเทศไหนสมัยใดที่จะส่องรู้ได้ความละเอียดความเต็มใจท้องฉีดชนิดนั้นนอกจากตัวของตัวของนั้นจะไปสดพบเห็น เข้าใจชัดเจนในความบริสุทธิ์ทั้งตัวนี่คือความบริสุทธิ์ที่เรียกว่านัดสิสันสําลังสุบขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติในเรู้ให้เห็นใน้เป็นจริงได้เพราะเหลยอดังมีนัดข้อปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนก็ยังมีอยู่เมื่อถึงจุดจบของมันเป็นอย่างไรมันจะจบได้ก็เดินไม่หยุด หยุดหมายปลายทางในตอนสงสัยจะต้องถึงที่ไม่เดินอยากจะถึงในยินในเดื่มอยากจะอิ่มในทํางานจะอยากจะให้งานเสร็จนี่เป็นที่เป็นไทยสำคัญสําหรับโลกสําหรับธรรมาังนั้นเราทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาจะ ท, ำำทําบําเพ็ญอย่าทอดเทละอย่าพลอยหลัง อุตสา่าห์พยายามทำตามโอวาทของพระพุต้เจ้าอย่าคิดเป็ี่ยนเปล่งไปเรื่องใหม่บังคับกายบังคับใจ ใ, ให้อยู่ในกรอบของธรรมดยในสอนใจของตัวอยู่ทุกระยะใจจะมีคุณค่าใจจะมีสาระสำหรับตัวเองมนโดยเมาดยกล่าวตู่ดีหนึ่งว่าตัวของตัวเป็นโมฆะเกิดมามีสาระอะไร ที่จะได้จะเห็นจะเจนจะรู้นี่คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมะถ้าเห็นธรรมะเป็นธรรมะภายในใจเรื่องต่างๆที่เราเคยเกาะเกีเ่ยวเกาะสันเกิดเโทมัวเมามันจะหดตัวหรือหลุดหนีจากความปุงความจิตจากาจิตจากใจของพระจมนั้นสังขารทีงมีอยู่เป็นจิต ไปเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องทั้งขานแต่ทํามบริสุทธิในใจทั้งฐานถึงทํามบริสุทธิ์แล้วทั้งขานยังมีอยู่สัญญาอย่งมีอยู่เวทนาอย่งมีอยู่รูปอยังมีอยู่ยินยานอย่งมีอยู่เพราะอันนี้เป็นขันไม่ใช่กิเลสถ้าจิตไม่เป็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกิเลสถ้าจิตไม่เป็นตัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นตัญหา จิตจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรจะศึกษาควรจะพิจารณาให้เห็นโดยส่ ว, วมใดญเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นจิดตัวเองนั่นแหละจึงเป็นเรื่องสําคัญตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะไปอยู่อย่างไรเลยในหน้าเพราะตัวเองเห็นตัวทั้งตัวตัวเองเห็นจิตทั้งตัวแต่ในหน้าเราไม่จิด มีแต่ไม่เห็นนั่นไม่เปนประโยชน์ต้องให้เห็นเพราะเรื่องของจิตเป็นนามธรรมละเอียดปัญญาธรรมะุี่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นนามธรรมเหมือนกันของละเอียดย้่นถึงกันหน้เห็นกันหน้แต่จะเห็นด้ยวยตาเมื่อธรรมดาหาต้องไปวิทยาศาสตร์มาดูมไม่รู้ไม่เห็น จะไปซองที่ไหนไปหาที่ไหนจนปนกระท่งวัตายก็ไม่เห็นแต่ท้าโอเวอร์บําเพลนด้านเทวนาคนผิดเคยสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้จนอย่างไรเขาเองจะเห็นเปนปัดจับต่างําหรับการปฏริบัติฉะนั้นเราทุกท่านที่มุ่งมั่นมาประติธปฏิบัติหรือนับถือพระพุทธศ า, าสนาควรเ อ, อาสาระจากการเกิดทั้งตัวให้ได้ อย่าปล่อยให้เป็นหมันตายไปเพื่อเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ควรสนใจที่นิพพิจารณาถึงเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียนที่นิพพิจารณาปัดเตาีิเลตปัญหาความคิดตึงเสื่อไปในทางชื่อทางเสียให้ตกออกไปจากจิตจากใจนำธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นทา ที่จะทำจิตให้สงบเยน็นทีนพิชฌาณาบำเพ็ญเลื่อยไปคนนั้นแหละ <c oughs> ถึงโง่ก็จะมีวันฉลาดถึงหลงก็จะมีวันรู้ถึงเพ่อเพลินมัวเมาก็จะมีวันต่างเบาไปเพราะใจสัมผัสกับอัตถะอยู่สม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของทุกคนควรสนใจควรศึก ตัวของตัวเมืือศึกได้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงมันก็ไม่มีอะไรโลกเกิดเผยอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรติดบงังที่จะเป็นปัญหาต่อใจทันจริงว่าอาโลเก อ, อุทปาชิที่สว่างเลออยู่ทั้งกลางวั น, วนกลางคืนสว่างมาจต่ไหนแต่ไรแต่อันนาะใจมันเบอกอลยไม่เห็นแสงสว่างว่าอันนั้นนะ่ารักอันนั้นนะ่ายินดีอันนี้นะ่ะ เกียรติน่ะต่างๆๆคารคึดความปรุงความยุ่งความหลงของใจมันเป็นแบบนั้นเพราะใจยังไม่เข้าถึงอัตชัมเพิศึกษาเพปฏิบัติมีใครอื่นที่จะมาปฏิบัติแทนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเฉพาะตัวไม่ว่าการกินการถ่ายไม่ว่าการหลับการนอนการประเัตปฏิบัต คนอื่นจะมาเสือเหลือเสื่อหืุนให้ดีพิเศษไม่ได้ต้องเป็นเสือของเสือเองผฉานจึงหวะอัตตาหิอั ต, ตโนนาเถอเป็แหล่เนผือถึงสองตนแล่ใช่คนอื่นจะมาเป็นผือพึ่งให้หนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนกับพระสักว์คำว่าสัตว์ก็คอผูู้กล่องมนุษย์ก็เป็นสัตว์ก็ยังคล่องอยู่ ที่ยังคล่องอยู่ทำเรียกงว่าสัตว์จะเป็นชีวิตแบบมนุษย์เทวดาอินทนรลล์ย์ยมยักษ์ไม่ว่าจิตยังคล่องือเลสปัญหาทำเรียกว่าสัตว์ทางศาสนาแ ต, เาาเต่เราถาเข้า ม, ม, ม, ม, มาเรียกเราว่าสัตว์เราก็อาจโกิดให้เขาก็เหตุใดเพราะว่าสัตว์เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจังและม่เดรุกมาคำวาสตคือตื้ข่องเรายังคล่องอยู่ เรายังไม่หลุดในตนเราจึงเกิดเขาเจียดเขาปากเขาพูดไม่สุ ด, สดตามนิยมสมมติแต่ท่านผูดบริสุทธิ์ภายในจิตในใจไม่เป็นอย่างนั้นถึงเขาจะพูดอะไรเสียงพูดขึ้นออกจากปากเขาพอหลุดปากออกมาเสียงมันก็ดับไป้ายในจะเจ็บ เ, เอาไว้ภายในใจของท่านถ้าพูดใช้เจ้า ที่ถูอเขาล่าวหาดาว่าต่างๆถ้าไทยท่องเที่งวไม่เคยสอบหมอนไม่เคยเสียหายเพราะทีายวในเจียบเอาท้องเน่าท้องเหม็นในเจียบเอาอะไรภายในโลกเราเห็นตามเป็นจริงก็รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารมณ์ก็ดีหน้าที่ของมันเกิดแต่ก็แปรเปลนดับไปเสมอกันหมด ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันไม่ว่าฝ่ายดีไม่ว่าฝายชั่วเรื่องของโรกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าทักษิเราเห็งอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าทักษิเรารู้มันก็ต้็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแยแไขไม่มีอะไรที่จะผิดบังนี่คือจิดจิอดูเห็นตามเป็นจริงจริงไม่มีปัญหาอะไรภายในใจทั้งทั้งท่านจึงอยู่แบบสะดวกสบาย แต่ยิ่งเกี่ยวนเหมือนน้ำกับใบบัวถึงยูดด้วยกันแต่ก็ไม่ติดเชื่อ น, น, b b a, อนกั น, ถ, นถึงเอาน้ำไปหยดใส่น้นกลมเติมขาบลงไปในใบบัวยู่จิตใจของพวกเราโดยเติมใจที่ยังไม่ศึกษาในประปฏิบัติถึงจุดหมายายทางในเต็น อ, อย่างนั้นเหมือนกระดาษครับกระดาษซู้ ถผูกอะไรก็คืนเข้าไปดูดเข้าไปในว่าทางดีทางชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงควรปฏิบัติควรรักษาควรสังวงครควรผู้ปฏิบัติเบื้องต้นสื่นใจจะไปถึงมรรคถึงผลต้องเป็นคนทำตาให้บอกหอให้หมวก ในคิดตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดเกิดทุ้งใจก็ดีตาเห็นก็อย่าไปคิดตามเรื่องที่เห็นหรือได้ยินก็อยากจึงไปคิดนี่เชือกไหมจะให้จิตได้รับความสงบเยอะก่อนมีกําลังทางสมาธิหนักแน่นมั่นคงจึงปล่อยใจนาภายหลังเรื่องต่างๆที่เห็นที่ได้ยิน จะเป็นบันไดทำจิดทำใจให้สูงขึ้นโดยสอนสอนให้สงบเหมือนเด็กเกิดมาใหม่ๆยังไม่ใหญ่โตทําการงานอะไรไม่ได้เขาเห่เขาปลมเด็กคนใดนอนได้ทับผ่อนได้ในรถกวนเขาชมว่าเด็กคนนั้นดีเติบโตเติบโตขึ้นมาเริ่แจการแ่กงานแล้วขับไป นอนแบบนั้นก e ินแล้วนอนในนี้ทำการทางานอะไรพูดไปอีกอย่างเหยียดค้านในอาัานอะไรเด็กคนนี้เหมือนกันทางศาสนาพัดสอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบเสียก่อนแต่เมื่อเตรียมแจกันจากที่นี้ที่เจนาละถอนจิตเล็ดด้วยปัญญาต้องทําอีกใช่ไหมว่าจะให้สงบถ้าสงบอยู่ถ่ายเดียวอย่างนั้นโดยวเดียใช้ปัญญาที่นี้ที่เจนะอะไร กันถือว่าสมาธิหัวหลักหัวโตไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขที่เหลือโยเกิดควาดีอะไรถูกจนเรื่องิเศษนีหลใสนักสู้พยายามที <S <s Seems, <S <s <S <s oh ่นี cool? ่ที่เจนพยายามสอนกายายาใจท้งตนโอกาสเจลาของทุกคน คือเกิดมาก็ไม่เป็นของกีรังอย่างยืนแต่เป็นของแหนนอนบางคือยังเล็บยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็ล่มหายตายไปเจ็บไข้ได้บางทีแก่กเท่าจนก่อป่วยไข้ล้มตายก็มีมีนิดเครื่องหมงายขางความตายไม่เป็นของแน่นอนที่แน่นอนที่สุดก็คือล่มหายใจเหนื่อออกมาเข่าหรือเข่าไม่ออ ก, u, อออกจะเป็นเด็กต้นเล็กต้นหนุ่มเป็นสาว จะตายเดือดกันทางนั้นสัส้นๆเจียงลมหายใจออกหายใจเข้าแถว น, นั้นนี่คืออายุของส่วเราเพระนั้นการปฏริบัติเนื่ออะไรภายนอกยังไม่ได้มีมาเกี่ยวข้องมีทามสามารถที่จะปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเจนเน็ตเจนหน่วยเจรีเร่งเคืเ่อหแต่ทาบาเพ็ญใหจิตของตนหยอกเยนเห็นธรา เพแต่นแนสอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะจะปล่อยวันเวลาให้เปนหมันเรื่อยไปผลที่สุดตัวเองจะไม่ได้อะไรตายไปต่างคนแบบนั้นเป็นโรคศาสนาโรโล ก, โลกไม่มีอะไรที่จะดีดีเศษให้พยายามสอนใจของตัวตามเพียงคุ้มมีสติสสคั้งเพียงคิด ออความอดทนนี่เป็นความเทียนสติปัญญาเป็นสังเลยขัดทําคือเป็นเรื่องกําจัดปัดเตาทีิเละผ่าขาความเทียนถึงจอเดินอยู่นั่งอยู่ทาําขาดเือจิริยาเหมือ น, นกับว่าทําความเทียนแต่มันเป็นแตกยใจไม่เป็นให้ เป็นศึกษาเป็นพิจารนาเป็ถึกอกรมับกะเนียนแต่เกี้นเกียนจะออกพรรษาแล้วในกี่วันจะออกพรรษากันวาเป็นมาในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไระเป็นคุณค่าสาหรับใจอกเกี้ยนจะสอบตึกยุนิพิยานาตัวเองแต่ความเกียนออกพรรษากิเลสไม่ได้ออกไปด้วยนะ มันมีอยู่อย่างไรก็นโคงเส้นคงลาอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือนอกภรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันสําหรับกาปรปฏิบัติสาหรั บ, บจิตใจจริงอมันชอบจริงอมันไม่ชอบมีอยู่อย่างไรง น, นั่ก็คงคือดูงามอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราไม่สำลัก ส, สารสารเด้วยตปัญญาไม่มีการภาวนาะําลัใจ เปลี่ยนสอนเปลื้กของเตลือยไปตัวพิจารณาบัตรเลื่อยไปใจที่นีอาจมีทำมีความเบอบานยืนแย่แย่ใส่ภายในใครเข้าใจเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเนอยู่อย่างไรเราสามารถที่จะทาได้จากตัวของเราเองนอืเขาจะเอากาศนียบาตรมาติดให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขา หาใจของเราไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีกมันก็ไม่เห็นจนผลจนประโยชอะไรถ้ามันดีที่สุดจะตั้มนิจนปากมันฉีกมันก็ไม่เห็นเสหายอะไรแตที่เจรนาให้ถึงแก่นของความจริงแล้วจะไม่มีการบั่นไหวไม่มีการเสียใจให้ตัวเองจะเกิดมาเป็นโมฆะใยายาม ก็คือปฏิบัติฝึกหัดรวมตัวงตัวจิตดีจิตมีความสึกทุกสิ่งทุกอย่างตัวสึกไปตามเห็นสิงจิตเนเดนเป็นไพกก็จับเกิดความเมตตาสงสารไม่มีความกลัวกรดนสิ่งเกื่อไปในว่าใครอันตรายจับอะไร้าใจสงด พอใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรม่านศีลของศาสนาสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัณชิตนักเบื่อเยเชลาวหญิงชายศึกษาได้ทาได้คนจิตทำตามเรื่องของศาสนาเป็นพระพิสุสามเณรนก็ดี เป็นคารวะตัวดีคารวะประพฤต์ตามคำนองคลองทันที่อาจานย์แนะนมีความสุขความสบายในทราเรือเบาแรมในขีดเฉียงกันเพราะใจหรืออดเห็นธรรมเพราใจสงบโลกก็เลยสงบใจปัน่นเพียเรือรวนเดือดร้อนก็อยู่สถานที่ใดเห็นอะไร แต่เดืร้อนเขาเกิดดีๆสดๆเขาเขามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือใจมันเชื่อใจมันเสียใจมันไม่ดีใจ น, ใ น, นั้นไม่มีอักไม่มีคำไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นจึงพากันพยายามศาึกษาพากันภาวนาหาความดีให้ได้เพรทุกคนมีสิทธิจะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่น เรารักเราต้องปฏิบัติเพื่ของเราศึกษาธรรมะจากายวายใจของตัวมทุกคนสนใจต่างหน้าทำตามโอวัะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างชาตต่างคนแต่แต่รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะจะเห็นว่าพอสมควรเสียแล้วกจยติเพียงแค่นี้